ก็ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังงทลายแต่รมพระโพธิญาณกำลังย้อนอนดีตของอิสิปตณะมริกทายวันโดยเฉพาะในความหมายว่ามริกทายวันที่แปลว่าป่าอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อในความหมายต่อไปก็คืออิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษี มีตำนานที่ท่านเล่าไว้ในอดีตการนานไกลว่ามีฤาษีจำนวนหนึ่งเพเป็นเพียนทางจิตบรรลุอภิญญาที่เป็นโลกิย์ก็เลื่อนลอยมาเบื้องน้ากากัดแล้วก็พอดีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงก็เกิดพอใจติดใจในเสียงผู้หญิง เพราะว่าท่านอยู่ป่าท่านไม่ค่อยได้ยินแล้วก็มองไปตามเสียงเป็นรูปสวยก็เกิดพอใจติดใจในรูปไอชาติที่เป็นเหตุให้เลื่อนลอยมาเบื้องหนประกาศเนี่ยมันเสือ่อมแล้วค่อยค่อยร่วงลงมาแต่ท่านบอกว่าอาการร่วงลงของผู้มีชาตเนี่ยมันสามารถประครับประคองมาได้ คือไม่ใช่ตกลงมาคาหักแข้งหักแต่ก็ตกลงมาจนเสียเชิงหรือสีก็แล้วกันตัวนี้มันก็กลายเป็นรอยอับยศของฤาษีชีไพรแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้เหตุผลให้สติปัญญาให้ความคิดแก่มนุษย์อีกเป็นนันมากมันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าจะทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กัน แต่ห า, ากาทานผูฟังลองมองย้อนไปตอนที่พูดเรื่องสุมเมธธดาบทคือตอนที่พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นสุมเมธธดาบทค็ที่จริงท่านก็ได้ปิญญาห้าเหมือนกันนะเลื่อนลอยมาเบื้องหน้ า, ากาศเหมือนกันแล้วก็เห็นก็ทําการแพร่ฐานหุ่นทางเสียมรับสเสด็จพระพุทธเจ้าที่ปังกรกับพระทรงท่านก็ลงมาจากอากาศแต่ว่าไม่ยอมใช้อิทธิฤทธ เพื่อทำหนทางรัศเดศแต่ก็ใช้แรงกายแล้วก็จบลงด้วยการได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจา้าตรงนี้ทั้งหมดได้ลองสังเกตว่าจิตมันเดินไปบนกระแสะกุศลทั้งหมดเพราะหนาปิญญาก็ยังมีอยู่จนท่านตายไปทีนี้พระเทวทัตเองนะะพระเทวทัตรเราที่จริงก็ได้ปัญญาเหมือนกัน อภิญญาห้าเหมือนกันแล้วในการต่อมาเนี่ยท่านเกิดและโมกอยากได้สานะตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเสมอเหมือนกับขัตยกุมารที่ออกบวชเป็นพระพร้อมๆกันเพเนียงแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยให้ความเคารพนับถือเพราะว่าเป็นคนไม่มีบารมีนะตรงนี้มันทำให้เห็นอย่างหนึ่งถึงอ น, นิสงส์ของฐาน คือการให้ทานของบุคคลเนี่ยมันนํามาซึ่งเขาเรียกว่าพวกกสมบัติและบริวารกสมบัติก็ทรงจำแนกแสดงผู้ให้ทานไว้เป็นสี่ประเภทคือคนประเภทหนึ่งไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชกไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ให้ทานคนประเภทนี้ก็จะขาดแคลนทั้งพวกกสมบัติและบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วแล้วก็เกิดแล้วคือหมายความหลายๆชาติ นี่นี้คนบางคนนั้นให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นคือไม่มีใครทําบุญร่วมกันดนเมื่อตายไปแล้วก็จะสมบูรณ์ด้วยพวกขสมบัติแต่ว่าขาดแคลนบริวารสมบัติก็จะมีปัญหาคือไม่มีคนเคารพนับถือยำเกรงไม่มีคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่มีคนที่เข้ากันได้เพราะอะไรเพราะขาดปุเพกต ะ, ะ, ะปุญญาตาคือทาบุญร่วมกันมาในปางก่อน แล้วข้อต่อไปก็คือชักชวนบุคคลอื่นเก่งทำตัวเป็นมรรคทายกชอบชักชวนบุคคลอืนะ่นให้ทานแต่ว่าตัวเองไม่ได้ให้ก็จะได้มีบริวารมากหรือมีพวกมากแต่ว่ายากจนอันนี้เดือดร้อนนะฮะพวกมากยากจนนี่เดือดร้อนประเภทที่สามนั้นให้ทานในตนเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วยแล้ก็เป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยพวกผสมผสา และบริวารสมบัติผล พ, พระราชกุมารที่ออกบวชพร้อมกับพระเทวทัตในคราวนั้นเนะี่ยมีพระานุโลพระพัติยะพระอนุรุตพระภคุพระกิมบีละแล้วก็บาลีนะระรวมทั้งเทวทัตตานเหล่านั้นถ้าเราศึกษาภูมิหลังท่านเนี่ยมันมีบริวารสมบัติคือทําความดีร่วมกับคนอื่นอยู่เยอะแล้วก็บริจา ได้ดูตัวเองด้วยคืออยู่ในประเภทที่สี่แต่ว่าพร ะ, พระเทวทัตจะมีปัญหาเรื่องบริวารตลอดอ่ะแม้แต่เรื่องที่เล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็มีปัญหาที่บริวารก็แสดงว่าไม่ค่อยทําบุญร่วมกับคนอื่นมาแต่ทําให้แม้จะบวชแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันด้านการยอมรับนักถือยกย่องจากคนทั้งหลาย ตอรนั้นก็เกิดวางแผนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มคิดมันก็ผิดแล้วนะวางแผนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสเองคิดว่าถ้าตนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนก็จะกระรโนับถือเพราะว่าก็เป็นราชกุมารด้วยกันก็ใช้อิจิริศเนี่ยขเข้าไปหาพระเจ้าอาชาติราชกุมารนะชาติศัตรูตอนนั้นยังไม่เป็ น, าาปนพระเจ้าแผนดิบแสดงคล้ายๆกับพระศิวะคือมีงูพันสอไป ผันคอไปนะนิรามิตรเป็นมานบแล้วก็งูพันคอขึ้นไป น, นั่งบนตักไปพระเจ้าสตูกุมารก็ตกใจแล้วในสุดก็พูดจากันพอรู้เรื่องเล่าความเป็นมาฟังแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูพระเจ้าสตูก็ยอมสยบแล้วก็วางแผนกันให้พ ร, ระเจ้าสตูเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะครอบครองสมบัติด้แกน คิดเท่า น, นี้พยายนก็เสื่อมฌานเสื่อมก็เหาะไม่ได้ฌานเสื่อมหมดในสุดก็ต้องเดินออกมาจากวังไปเจอ จ, จ, จ, จัตตรูแล้วก็จากบัดนั้นนะท่า น, ท, า น, ท, านท่านไม่ได้ฌานอีกเลยท่านไม่ได้ฉานอีกเลยเพราะว่าความคิดของท่านนั้นคิดคิดแย่มากๆนะหมายความว่ามากไปด้วยโลภมากไปด้วยริษยามากไปด้วยโทสะมากไปด้วยความเบียดเบียนใจมันไม่สงบ ระเลิดออกนอกธรรมนอกวินยัยตก น, นรกหายไปเลยในตอนสุดท้ายเนี่ยเพราะคุณธรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาทบทวนรูนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยเชื่อหลายปีมาแล้วก็คงจะราวสักยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งสมัยที่เป็นพระโสมพลคณะพรนะนะ ก็รับการราฐนาไปบรรยายอิจิริศอิทิปาฏิหานนะาใช้คอิทธิปาิหาในาาหาในพระพุทธศาสนาที่หมหาเาจริญรำคำแห่งก็ถือว่ามีเรื่องที่ค่อนข้างประทับใจกันนั้นเนี่ยคือเรื่องยากกันนั้นหลยเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์แต่ละคนก็รับเป็นคนละหัวข้ออันตราก็ ขขอให้พูดเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ใช้เวลาสามชั่วโมงก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็พูดยากด้วยก็ต้องทำชีดแจกไปประมาณสิบหน้ากระดาษไปแจกชีดไปก่อนแล้วก็มีข้อแม้ว่าขอพูดให้จบนะฮะอย่าไปแทรกอย่าไปซักระหว่างระหว่างพูดจะลาดับความมันจะเกิดสับสนแล้วก็พูดแล้วก็เปิดโอกาสให้ถาม ก็ปรากฏว่าที่ประชุมประมาณตักงแต่สามร้อยแปดสิบคนนะก็ทุกคนเข้าใจแต่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรอบรู้มาก่อนก็ได้นะคือกขาก็เข้าใจน่้นอิติริตเหล่านี้ที่จริงมันเป็นเรื่องพัฒนาการทางจิต ท, ที่ผ่านกระบวนการของศีลสมาธิปัญญามาแต่ว่าปัญญานั้นยังไม่เข้มแข็งอะไรทนายหรอกแต่ศีลห้าเนี่ยเขาเข้มแข็ง แล้วก็ผ่านสมาธิมาจิตใจหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นพวกพวกเหล่านี้จิตมันต้องสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีอาการของกิเลสแล้วมีจิตในพร้อมที่จะให้ฌานข้าใดข้อหนึ่งมันเกิดขึ้นให้พิญญาข้าใดข้อหนึ่งมันเกิดขึ้นอภิญญาตามปกติเขาจะมีหกนะครแต่ว่าพิญญาหกมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น อภิญญาห้านั้นมีทั่วไปในาศาสนาทั้งหลายโดยเฉพาะพวกาศาสนาฮิดูเนี่ยฮะศาสนาฮิดูาศาสนาเชนก็รู้สึกมบีเพราะว่าเป็นกระบวนการฝึกจิตเป็นพัฒนาการทางจิตแต่ตามปกติท่้งก็ไม่่อยแสดงหรอกเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องบางกรณีที่นำไปใช้ท่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเหมือนกับ มายาวีเขาเรียกมายาวีสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามายาวีมันเป็นวิชาอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นมายากลในปัจจุบันนี้คือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตมายากลของแขกเนี่ย น, นะไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็มีเชือกปลายมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็มีคนปีนเชือกขึ้นไปแล้วหายไป อันนี้มันมันมันมันมันดูแล้วเนี่ยคล้ายกับอิทธิฤทธิ์แต่จริงมันมีมายากลทีนี้มายากลกับอิทธิฤทธิ์เนี่ยบางทีมันคล้ายกันเช่นมายากลเนี่ยสามารถปลูกมะม่วงปะปะปะปะขึ้นมาออกลูกเป็นมะม่วงสุกมาเลยได้อิทธิฤทธิ์ก็ทําได้นี่ปัญหาสําคัญว่าเมื่อคนไปเห็นข้าเนี่ยไม่รู้อะไรว่าตรงนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ตรงนี้เป็นมายากล แล้วคนส่วนมากเนี่ยจะมองเป็นมายากลเพราะก็จะดา่าจริงๆนักบวชไปทำพระไปทําอย่างนั้นแล้วก็เสร็จเลยนะะโดนด่าด่าๆมันก็เป็นบาปบาปแกคนดา่าเพราะถ้าเหล่านี้จิตใจท่านกรุณาเมตตากรุณาตบคนคือไม่ต้องการให้คนทําบาปเพราะอาศัยท่านเป็นเหนตุท่านจึงปกติก็ไม่เคยใช้อ่นะ แต่กว่าใช้ก็ใช้ในรูปของการผสมกลมกลืนจนคนฟังคนดูเนี่ยไม่รู้เลยว่าตรงนี้คืออิทธิทีนี้อภิญญาห้าประการเนี่ยประการแรกเขาเรียกว่าอิทธิวิธิวิทาหรือวิธีก็ได้นะมันมีสองอย่างอิทธิวิทาหรืออิทธิวิธีความรู้ที่ทำให้สแสดงฤทธ์ต่างๆได้ฤทิ์ฤทธิ์ทางนี้ฤทธ แบบนี้เป็นเป็นฤทธิ์ทางกายนะฮะแทธิ์ทางกายมันไม่ใช่โนไม่ใช่มโนโมยิทธิซึ่งอยู่ในวิชาแปดมโนมยิทธิแปลวฤทธิ์ทางใจเนี่ยคือสามารถที่จะตัวเองอยู่ในที่หนึ่งแต่ถอดจิตไปอยู่ในที่หนึ่งได้คือปรากฏตัวในที่ต่างๆได้ซึ่งตรงเนี้ยที่จริงพระเจ้าใช้บ่อยเวลาไปโปรดภิกษุณีทั้งหลายเนี่ย พิสมีเวลาท่านเจริญกรรมาฐานเนี่ยท่านมันถึงวิปัสนาญาณข้อหนึ่งเนี่ยก็เรียกปยาตุปฐานญาณเมืเ่อเกิดกลัวเกิดกลัวก็เห็นสังขารเกิดดับทียิบเลยแล้วใจกระสุดลมเพราะงั้นพระเจ้าก็เสด็จปรากฏพระองค์แล้วก็ชี้แนะให้พอท่านจับได้พระเจ้าก็หายก็ที่จริงไม่ใช่องค์จริง เป็นเรื่องของมโนมายึดที่ปรากฏพระองค์ไกลได้เป็นร้อยร้อยอยอดนะฮะ mm. ไปแ mm. ป๊บเดียวกับแปบเดียวแบบเทวดาไปมาทีนี้พิกษุณีเนี่ยพอสอนเสร็จท่านก็บรรลุผลเป็นพระหานท่านประทําได้ท่านก็ไปเอามาพูดอะไรก็เเรื่องธรรมดาเหมือนกับ น, นกบินเนี่ยมันก็หมูนกเองก็เห็นเป็นธรรมดาเนี่ยมไม่ได้เเรื่องแปลกอะไรหรือคนในปัจจุบันที่เขาขับขี่เครื่องบินเนี่ยก็เลอเป็นเครื่องธรรมดา แต่ทีนี้ชาวคนเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วขึ้นมาสมเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูเครื่องบินให้ดูโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ไม่เจอเขาก็งงแล้วมันก็อยู่ที่ประสบ ก, การณ์เรื่องที่จริงอิทธิฤทธิ์พวกนี้มันมันเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของท่านเหล่านั้นมันธรรมดาของนกที่บินได้ธรรมดาของปลาที่อยู่ในน้ําได้ธรรมดาของไส้เดื้องในแต่ดินได้เนี่ยมันธรรมดา ธรรมดาของพวกทศกรีทาทั้งหลายที่ก็เล่นพวกกีฬาทั้งหลายนี่เห็นไหมพวกนี้เป็นจิตตกรีทาแต่นนเป็นกายกรีทาแต่นั้นเองแต่ทั้งหมดมันเกิดจากการฝึกฝึกมาถึงขั้นแล้วก็ทําได้แต่อย่าลืมว่าตรงนี้เป็นระดับระบบคุณธรรมถ้าเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาแล้วเสือ่อมทันทีเลยนะอิสิปัตนะนี่คือฤษีหล่นที่ว่าเนี่ยเพราะฉฌานมันเสื่อมไปจิตไปกําหนัดในทางเพศ จิตกรรมมาในทางเพศเนี่ยคือกรรามฉาันมันเป็นนิวนรณ์เขได้พูดง่ายว่ากิเลสประเภทโลภะและบังกายเป็นมากวัดอย่างหนึ่งรเราเห็นว่าใครก็ตามที่แสดงความเป็นอาจารย์กรรมฐานถ้าเรียกงอะไรไม่หยุดและแสดงไม่จริงเน่ยเพราะกรรมฐานจะต้องไม่โลภ ก, กรรมฐานโลภมีไม่ได้นะในโลกนี้ระหว่างกรรมฐานกับโลภะนี่อยู่ด้วยกันไม่ไดนะ้ถ้าท่านเป็นกรรมฐานท่านต้องไม่โลภถ้าโลภแสดงว่าท่านไม่ต้องเป็นกรรมฐาน คือเจริญกรรมฐานจะได้แต่ว่าไม่ได้สมาธิไม่ได้ชาญนะเพราะตัวสมาธิคือตัวสงบที่เ ร, เรียกเอกกตามันทําหน้าที่สงบพวกกามฉันทีนี้อพวกกามฌานเหล่านี้มันสงบแบบสยบคล้ายๆกับเราไม้กดศีรษะอสรพิษไว้เนี่ยกดศีรษะงูไว้เนี่ยมันต้องกดได้ดีนะเผื่อเผื่อดีไม่ดีมันกัดเอาอเพราะเขายังมีฤทธิ์อยู่เขาไม่ได้ตาย กิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันไม่เฉดไปหมดมันก็เสื่อมได้แล้วก็ที่ประโซดมียานที่ทำให้เกิดหูดชิปตัวนี้จิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสนะปราจจากิเลสแล้วก็สามารถกำหนดจิตฟังเสียงในที่ไกลแม้แต่เสียงทิพได้ตัวนี้เทียบเคียงกัะเบือนความวิทยุนะ เราเห็น ว, ว่าวิทยุเสียงมันเต็มไปหมดเลยในโลกนี้นะเต็มทุกอณูนะแต่เราไม่ได้ยินเนี่ยถามมาถ้าเอาวิทยุไปฟังเนะี่ยจะได้ยินไหมมันก็ได้ยินเห็นไหมเราเปิดวิทยุขึ้นมาในตรงไหนก็ได้ก็เปิดแล้วก็จะได้ยินเพราะว่าเสียงมันเต็มไปหมดส่งมาจากที่ทั่วทิดในโลกเนี้เพราะเสียงที่จริงมันมีเพียงแต่ว่ามันอยู่ในวิสัยของหูทที่ท่านจะยินได้ จะได้ยินแต่ท่านต้องกําหนดใจจะฟังเนี่ยแล้วจะฟังไปในด้านบวกเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจท่านสงบจากกิเลสคือใช้ไปในด้านบวกถ้าใช้ลบแล้วก็เสื่อมทันทีเหมือนกันอย่างแบบพระเทวทัตใช้เนี่ยนะเสื่อมหรือฤษีใช้เนี่ยฤษีใช้ฟังฟังเสียงขาดสติเกิดพอใจในเสียงของสตรีแล้วพอเห็นรูป เห็นไหมฮะก็คือดกำหนัดในรูปกำหนัดในรูปก็หนัดใเสียงกามาฉันก็ฟูขึ้นฉันก็เสื่อมก็หล่นแล้วก็มีเจโตปริญานคือยานที่ทําให้กําหนดรู้ใจถ่ายใจคนอื่นได้แล้วก็คิดยังไงเนี่ยก็คิดยังไงเนี่ยท่านจะพูดแล้วตัวนี้ยจะผสมกลมเกลื่นหละสามารถผสมกลมกลื่นได้เลยเทศไปเหมือนกับที่เขาคิดอ่ะเขาคิดยังไงก็เทศไปอย่างนั้นอธิบายทําต่อความข้งใจสงสยัยเขาที่เขาทึ่งก็อัศจรรย์ก็ตื่นเต้น ต่อธรรมเทศนาของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีอาเทศนาปฏิหารแล้วก็มีนี้ด้วยนะแต่ว่าเวลาทรงใช้เนี่ยเขาเรียกอาเทศนาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจคนวางธรรมะเหมาะสมกับพื้นเพจริตตระยสัสสยของคนหยาบกลางประณิดนะซึ่งเราจะเจอในเมื่อเมื่อเมื่อถึงธรรมจักรนีเจโตวปริยานก็รู้ใจถ่ายใจคนเข้าใจคนใจก็เป็นยังไงมีราคะมีโทสะมีโมหะหรือไม่มีอะไรอะไรเนี่ยจะรู้ละเอียด แล้วจะพูดจาติดต่อสื่อสารเทศสั่งสอนอะไรอะก็ตามก็จะเข้าใจเพราะกนตทมความจริงแนวนี้พวกนักจิตวิทยาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจคนได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่มีรายละเอียดอะไรก็ตามแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติปกติสมับคนซึ่งก็ฝึกมาอย่างนี้ แล้วก็มีปุเพนิวาสารนิตยาระลึกชาติได้แต่ไม่ตลอดนะฮะเลึกชาติได้แต่ท่านบอกว่าบางทีมันเป็นกลับเป็นกันเหมือนกันอาจจะถึงหกสิบกลับนะท่านบอกว่าอย่างอธิบายไว้ในกรมชาลิสูตรเนี่ยการพูดถึงการะลรึกชาติของคนบางคนไปได้คลิปแต่ว่าถ้าไม่ไม่มากพอแล้วเนี่ยจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ พความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยพุทธกาลที่กลายเป็นทิฏฐิ๖๑๒ที่จริงก็คือพวกนี้ยระลึกชาติได้ไม่ตลอดสายแล้วก็ไปลงสมมติฐานไปเข้าใจปกักใจเอาว่าอย่างนั้นเช่นระลึกชาติได้ในสมัยที่ตัวเองเคยเกิดเป็นพรมแล้วก็ตันแค่นั้นเองได้แค่นั้น ไวาจากพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าจากมนุษย์กลับไปก็กลับไปพรหมวันกลายเป็นลทัทธิพระเจา้าเพราะความจํากัดของยานที่ระลึกชาดัได้แต่บางครั้งก็เดาเอานะพว ก, พวกขณาจารย์เดียวลทัทธิเหล่านี้บางครั้งก็เดาเอาแล้วข้อต่อไปก็คือทิประจักสุตรงนี้เรียกว่าทิประจักสุแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าพระอหานี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่า จู่ตูปปาตาญาณเป็นญาณอย่างเดียวกันแต่ว่าทิพยประจักษ์สูก็คือตาทิพย์ก็คล้ายๆกับโทรทัศน์แต่หมายความมาต้องตั้งใจที่จะดูคือตามปกติพระหัตพระพุทธเจ้าในใช้ตาธรรมดาเวลาต้องการจะดูสวดดูสัตว์โลกอย่างพระพุทธเจ้าตอนใกล้รุ่งเนี่ยจะสวดดูสัตว์โลกก็สวดดูด้วยทิพยระจักษ์สูงเนี่ย เคจะเสด็จไปโปรดบุคคลเหล่านั้นดูอํานาจวาสนาะบารมีอินทรีย์ความพร้อมด้านต่างๆของคนเหล่า น, นั้นแล้วก็เสด็จไปโปรดเกิแสดงมีห้าข้อคือข้อที่หกเนี่ยไม่มีเป็นโลกิยาข้อที่หกมันต้องมีเฉพาะปารหานั่นนั้นเองคือคนอื่นมีไม่ได้ได้แก่อาสวขยานคือปัญญาที่ทาอาสวะให้สิ้นไปเป็นญาณที่เกิดผุดขึ้นรู้แจ้งในเริยสัตว์สีที่มีความสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นถ้าถระดับห้าข้อเนี่ยเรียกว่าศีลสมบูรณ์สมาธิพอ ป, ประมาณนะก็เกิดได้แล้วปัญญาก็พอสมควรแต่ว่าไม่ถึงกับไปํำลากิเลสได้มันจึงมีในนอกศาสนาศา ส, าศาสาศานาอื่นก็มีนะพวกพวกพวกเนี้ยคือต้องผ่านผ่านกระบวนการฝึกจิตมาแล้วก็มีแต่นีการที่ฤษีหล่นเนี่ยมัก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า มนุษย์เราตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นประโสดาบันขึ้นไปเนี่ยประมาทไม่ได้เท่านั้นแม้จะบำเพ็ญเพียรทางจิตมาขนาดได้ปัญญาบรรลุฌานนะฮะอย่างน้อยท่านก็ได้ฌานสี่นะอาจจะถึงอรูปฌานได้ซ้ําไปแต่ว่าพวกนี้เขาเรียกกุปตธรรมเมื่อกาเริบได้เปลี่ยนแปลงได้พรานพวกนี้โอกาสที่จะตกนรกยังมีอยู่มันปิดประตูนรกไม่ได้ คนที่ปิดประตูนรกได้มีตั้งแต่ปสสาวบันขึ้นไปเรียวจตูห ป, ปาเยหิจวิปมุตโตคือเป็นพ้นจากอบายทั้งสี่สจะจาิฐานาเนียระโปกาตุงคือไม่ทำอภิฐานหงไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าประหานไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ทำสังฆเพทไม่ไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นในขณะที่ครองเพศเป็นภิกษุอยู่ คือเป็นเป็นประการหลักกิเลสมีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมดทีเดียวหรอกแต่ ว, ว่ามัคีเลสไม่แรงก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เพราะสติท่านดีแล้วนะสมัยทันยะ ด, ดีแต่ไม่ช่สมบูรณ์นะฮะเป็นการดีระดับหนึง่งนี่ก็เป็นการแสดงถึงว่าพัฒนาการทางจิตของใครก็ตา่มางมือขนาดได้ปัญญานี่ยังตกลงมาจากจากฟากฟ้าได้ นักภาษาอะไรกับการรักษาศีลธรรมดาได้แค่ศีลห้าได้แค่เจริญพรห ม, มิหารอย่าไปวางใจว่าเราหนักแน่นมั่นคงพอเราจรึงได้ยินข่าวคราวว่าที่เกิดขึ้นแก่พระเราไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะคือจริงๆก็มีทุกยุคทุกสมัยแหละอันนี้เรื่องก่อนพุทธกาลนะจึงก่อนพุทธกาลมันก็เกิดมาทั้งนั้นแหละเพราะว่าสัตว์โลกนั้นอยู่ในกา마วจรภูมิ